พิษณีนุ่งห่มหรือห่มชีวนนั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือโดยไม่ได้บอกกล่าวต้องอบัติปาจิตตี